116. ความจริงต้องมีการสัมผัสด้วยอายตนะหกซึ่งการเชื่อสถาบันเป็นหลัก น, นั้นมันเป็นความดีงามสมควรยิ่งในแง่สังคมศาสตร์อาตมาก็เคารพนับถือในประเด็นนี้แต่มันยากเหลือเกินในความเป็นสัจจศาสตร์ที่จะฟื้นพุทธชีวะ ในเมื่อสถาบันในขณะ น, นี้อาจจะมาเห็นด้วยภูมิอาจจะมาอีกแหละว่ามันไม่ตรงต่อสัจจะแล้วมันเพี้ยนจากสัจจะไปแล้วโดยเฉพาะเพี้ยนไปจากพุธธทธสัจจะที่เป็นปรมัธิธรรมที่เป็นโรกุตระพุทธทุกวันนี้กลายเป็นศาสนาเทวนิยมเกือบจะสมบูรณ์แล้ว ไม่เหลือเนื้อหาเป็นความเป็นอเทวนิยมจมอยู่ในทิศทิ62การทั้งรูปกายและนามกายเกือบจะเต็มกายไปแล้วกระมังซึ่งบัญญัติพูดกันเป็นภาษาพุทธแต่เนื้อหาเป็นเทวนิยมเพราะมิจฉาทิฐิชัดเจนว่าต่างปฏิบัติปรมัา ธ, ธรรมการโดยไม่บริบณ์ด้วย ผัดสายยตนาหกเพราะปฏิบัติการแบบเว้นผัดสายหจึงได้แต่ผุดอยู่ในข่ายของอดีตและอนาคตออกจากอดีตและอนาคตมามีสัมมาทิฐิปฏิบัติในปัจจุบันให้มีผลไม่ได้แม้มีปัจจุบันก็ทําปัจจุบันให้กลายเป็นอนาคตเพ้อฝัน ดังนั้นการปฏิบัติใดที่เว้นผัสสะแล้วจะรู้สึกได้นั่นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ทุกการปฏิบัติต้องมีผัสสะเป็นปัจจัยไม่เช่นนั้นก็จะเป็นผู้ไม่รู้ไม่เห็นที่มีแต่ความแสหาความดิ้นรนของคนมีตัณหาเท่านั้นพระไตรปิฎกเล่ม 9- ก้ข้อห้ถึงข้อ90